เพื่อนก็ต้องการอยากพ้นทุกข์ว่ะแล้วก็หนีจากบ้านมาอยู่วัดอันนี้นะก็เอาอยู่กันไปเมื่อที่พักมันพออยู่ได้ก็อยู่หากว่าที่พักมันไม่มีแล้วก็จําเป็นนะอือ ม, มันก็จําเป็นเพราะการอยู่กันหมู่มากนี่มันก็อดบ้างอิ่มบ้างเป็นธรรมดา อย่างนั้นแหะให้ฝักกันเข้าใจเน่เรามาอยู่ด้วยกันหมู่มากนี่จะให้มันสนุกสะดวกสบายไปทุกอย่างมันไม่ได้หรอกออต้องให้อดให้ทนเอาเราเรียกว่าเรามาจําสินนะ เ, เรามาจําสินคือมา ฝึกตนให้เว้นจากการทำบาปท่านอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วก็มันไม่พ้นจากการทำบาปคงเป็นอย่างนั้นแหละผู้ที่มาบวชทีกันอยู่นี่กันรู้ดีแล้วทุกคนเนะ่ยท่านอยู่คลองเลื่อนนี่นะมันไม่พ้นจากการทำบาป เมื่อเรามาอยู่ในวัดในวังนี่เราก็สละความสุขชั่วคราวต่างๆหมดนั่นนะสุขในการกินสุขในการนอนต่างๆหมดนั้นนะสุขในการเที่ยวอันบริเราสละหมดเลยพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกขเพื่อโทษ ความสุขชั่วคราวเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์แล้วโตพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นเน้อผู้เข้ามาอยู่ในวัดในวาอืมจริงนะพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนให้ดีเรื่องที่พูดนี่นะบางคนนึ ก, กว่าเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาไม่ค่อยใส่ใจไม่ใส่ใจมันก็ไม่รู้เรื่องลึกตื้นหนาะบางของกิเลส ที่โบราณท่านเรียกว่าปลาตายน้ำตื้นนั่นนะนั่น น, ะน่นนะน้ำลึกไม่ค่อยตายปลาเนะ่มันไปตายเอาน้ำตื้นนั่นน่ะไอความรู้เพื่อนๆอย่างที่ว่านี่น่ะเมื่อบุคคลไม่พิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันมันก็ผ่านไปไม่ได้เลยกิเลสเหล่านี้ น, นะข้าพระพุทธเจ้พิจารณาเห็นชัดในใจว่า ความสุขดังกล่าวมานั้นเราเห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนเลยอย่างนี้นะแล้ววันนี้เมื่อเรามาประพฤติินธรรมเข้าไปแล้วไม่ได้รับความสุขอย่างนั้นมันก็จะเกิดวุ่นวายขึ้นมาเคยกินอิ่มน้ำสํารานไม่ได้กินโกดมันจะวุ่นวาย เคยนอนตื่นสายก็ไม่ได้นอนหน่อยก็ตีละคังปุกอมันกระเดิดร้อนวุ่นวายอย่างนี้นะเคยกินอาหารดีๆอยู่ในบ้านในช่องอไม่ได้กินดีก็วุ่นวายถ้าจิตใจผู้ใดเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี่นะ ขอให้เข้าใจกันความสุขชั่วคราวนี่ก็อย่างว่ามันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนแม้แต่ผู้อยู่ครองเรือนเอาเถอะเมื่อคนมันมากขึ้นมากขึ้นการหาอยู่หากินก็ลำบากเข้าไปก็มืออดมืออิ่มเข้าไปอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่า อยู่คลองเรือนนะมันจะไปหากินได้ตามสบายทุกวันทุกเวลาไปอย่างนี้ไม่แล้วใครๆมันก็อยู่คลองเรือนมาทั้งนั้นแหละคู่มอบวชเนี่ยมันย่อมรู้ดีดังนั้นที่เรามาอยู่ในวัดวาอารามนี่มืออดมืออิ่มก็แล้วแต่เรื่องมันนะแล้วก็สู้อย่าไปทำความหนักใจ ถ้าว่าอยู่ด้วยกันหลายคนอย่างนี้นะก็ยอย่าไปหาเรื่องมาคุยกันประลัมประลาไม่เป็นสาระประโยชน์ OD อันใดต่างคนต่างภาวนาสํารวมใจของตนเงียบเงียบกิเลสอันใดมันฟูขึ้นมาในจิตใจแล้วก็กําหนดละกิเลสอั น, นั้นไปต่างคนต่างพยายามละกิเลสในใจ อยู่อย่างนั้นแล้วแม้จะอยู่ด้วยกันมากคนก็ไม่มีปัญหาหรือว่าอยู่ใกล้คิดกันก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเพราะว่าเราอยู่ด้วยภาวนาเรามุ่งความสงบใจเป็นที่ตั้งคอยเข้าใจเมื่ออยู่ด้วยกันหลายคนนะการพูดมากปากหลายนี่นะมันเป็นชนวนเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกัน อย่างนี้ให้เข้าใจถ้าหากว่าต่างคนต่างประหยัดคำพูดของตนนะไม่มีเหตุจำเป็นล้วไม่พูดเลยอย่างนี้ไม่ได้ทะเลาะกันแน่นอนคนเรานะานแม้ใครทำอะไรไปไม่ไม่เป็นเป็นที่สบอารมณ์ของตนก็ไม่ไม่เดือดร้อนให้ความพอใจหรือไม่พอใจมันเราสละให้หมดเลย อย่าไปเอามาเป็นอารมณ์อย่าไปยึดถือเอาไว้หัดปล่อยหัดกวางไปเรื่อยๆอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะความพอใจหรือไม่พอใจนี่นะมันเป็นสื่อของกิเลสนานาประการเลยเมื่อความพอใจเกิดขึ้นไม่ละมันต่อไปมันก็เกิดราคะตัณหาขึ้นมา อย่างนี้แหละความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆมันก็เกิดขึ้นในใจถ้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมามันก็เกิดความโกรธความหงุดหงิดใจเมื่อระงับทางจิตใจไม่ได้มันก็แสดงออกทางกายทางวาจา กระทบกระทั่งคนอื่นเรือ่อยเปื่อยไปมันเป็นอย่างนี้แหละไอ้การที่ปล่อยให้จิตวันไว้ไปตามความพอใจหรือความไม่พอใจดังกล่าวมานั่นนะขอให้พากันมีสติสำรวมระวังอยู่ทุกเวลานาทีไปเลยสำรวมจิตใจนี่นะเปยงั้น อย่าปล่อยให้เวลามันล่วงไปด้วยการปล่อยจิตให้วุ่นวายเดือดร้อนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆงูนั่นนะเพราะใจในี้ถ้าไม่มีสติควบคุมไม่มีปัญญาสอนไม่รู้จักทวนกระแสจิตแล้วมันก็มีแต่ส่งไปหน้าเรื่อยออมีแต่ส่งคืนหลังคิดถึงเรื่องอดีต ที่ลงมาแล้วถ้าเป็นเรื่องดีก็ดีอกดีใจถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็เสียใจเงิ น, นมันเป็นอย่างนั้นไอ้จิตที่บุคคลผู้ไม่รู้จักทวนกระแสจิตนี่จิตยมวิ่งไปในอดีตที่ลงมาแล้วบ้างวิ่งไปในอนาคตที่ยังไม่ได้มาถึงบ้างย่อย่างนั้นอันที่จะเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ นี่แหละคนเราที่มันเดือดร้อนน่นนะไม่ใช่อย่างอื่นใดอันน้นจะพากันเข้าใจให้รู้จักทวนกระแสะจิตเมื่อจิตมันเผลอคิดส่งไปในภายนอกดังว่ามาแล้วแล้วน ะ, ะมันส่งไปพิจารณาดูเรื่องที่มันคิดไปไม่มีประโยชน์อะไรก็รีบมีสติระ ล, ลึกเข้ามาหาจิตนี่เลยมาควบคุมจิตนี่ หยุดนิ่งลงไปแล้วไอ้ความคิดความหมายจำเหล่านั้นมันก็ดับไปไม่ต้องว่าไปดึงมันเข้ามาเราคิดไม่ใช่เพียงแต่เราเราลึกเข้ามาหาความรู้อันนี้เท่านั้นแหละนี่ท่านเรียกว่าทวนกระแสจิตนะคือเราไม่ปล่อยจิตให้คิดสร้างไปตามอารมณ์นั้นนั้นเราถอยกลับเข้ามาหาความรู้อันนี้เอาสติมาประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ ไม่ได้หายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติหายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติไม่คิดไม่ปรุงไม่เสียใจไม่ดีใจก็ตามรู้จิตอันนี้ไปถ้ามันนึกดีใจเสียใจกับอะไรเรื่องอะไรก็รีบกำหนดละเรื่องนั้นไปหาอุบายสอนจิตให้ละเรื่องนั้นไปเพราะว่าเรื่องนั้นไม่จริงไม่ชัง ไม่ควรยึดถือไว้เพราะทุกตัวอย่างมันรวดเดียของไม่เที่ยง น, นั้นโลกสันนิบาตอันนี้นะแล้วมันก็ไม่นอกเหนือไปจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้นะที่จิตใจคนเราน่วงเอามาเป็นอารมณ์อยู่นี่นะที่มันปรงุงมันแต่งไปอยู่แต่และ ว, วันแต่และคืนแต่และเวลาอยู่นี่นะมันไม่นอกเหนือไปจากนี้หรอก ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ว่ารู้ว่าอ๋าอจิตนี่มันผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันไม่พอใจหน้าเกลียดหน้าช่างก็เกลียดโกรธไปไปตกวิจารณ์ว่าคนผู้นี้น่าเกลียดหน้าช่างนะ เออของสิ่งนี้เราไม่ชอบใจเลยอย่างนี้เราชอบใจมันก็วิตกวิจารณ์ไปอยู่นะทามันยึดเอาความไม่พอใจเป็นอารมณ์ไว้ออถ้าไปเจอกับรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักให้พอใจของชนอย่างนี้อ้าวมันกลับมาวิตกวิจารณ์เออรูปนั่นนะเรา น่ารักน่าพอใจจริงน่าอยากได้เสียงนั้นก็น่าฟังกลิ่นนั้นก็น่าสูดดมอรสนั่นก็น่าลิ้มน่ารับประทานอร่อยดีสัมผัสอ น, นั้นก็รู้สึกว่านุ่มอ่อนนุ่มนวลดีเย็นดีพอใจในสัมผัสดังนั้น เมื่อมันยึดมั่นอยู่ในอิทธารมอารมณ์ที่น่าชอบใจมันก็วิทกพิจารไปในเรื่องรักเรื่องใครพิตกเท่าใดความรักความใคร่มันก็ยิ่งมากขึ้นโดยลำดับ ม, มันก็มีอยู่สองอย่างเท่านี้แหละที่จิตใจคนเรามันหลงอยู่นี่นะอืทีนี้เมื่อมันหลงอยู่ในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานล้น่ะ มันก็นหลงขันทั้งห้าอันนี้ซะก่อนแล้วมันจึงได้หลงรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นให้ทบทวนดูทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในอย่างที่ว่านันเนี่ยมาเพ่งดูจิตนี่เออจิตนี่มันหลงเวทนานึกความเสวยอารมณ์อันนั้นนะเมื่อมันไม่พอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมา น, นันนะมันก็เกิด เวทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วความโกรธความเกลียดอะไรมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันน่ะโกรธสิ่งที่หรือว่ารูปเสียงอันที่ตนไม่พออกพอใจนั่นนะ่ะอ่ทีนี้ถ้าหากว่ารู้เท่าเวทนาอันนั้นแล้วอันเวทนาที่มันเกิดจากความไม่พอใจนั่นน่ะเรามากำหนดทวกระแสจิตมารู้เท่าก็เวทนานี่ก็สักว่าแต่เวทนามันเกิดแล้วมันก็ดับไป ไม่มีตัวตนอะไรที่จะมาเสียใจดีใจกับเวทนาเหล่านี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่ไม่วันไัยกับเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วสงบจิตนิ่งอยู่ไงเวทน า, น, น, งง น, า, า, านั้นมันก็ระ ง, งับไปเวทนานเกิดจากค้อนพอใจเนี่ยมันก็ระงับไปเมื่อเวทนาระ ง, งับไปแล้วตัณหาความดะยานอยากไป ตามอารมณ์บางอางนั้นมันก็มันก็ดับไปอืมเนี่ยที่ผู้เชเจ้าสตร์ไว้ในปัจจัยการนั่นนะว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัญหาให้มาคําต้นตอมันอยู่ที่จิตนี้ถ้าผู้ใดไม่คําดูต้นตอของมันแล้วละมันไม่ได้เลยละความรักความอยากความปรารถนาอะไรต่ออะไรในโลกนี้ไม่ได้แล้ว เฉะนั้นไม่ว่าใครแหละนักบวชหรือชาวบ้านก็ตามอืมมันก็มีกิเลสอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนักบวชบวชเข้ามาแล้วถ้าไม่ทําความเพียรเพ่งพินิษให้ถูกทางเฉยๆมันก็ละไม่ได้กิเลสตั้งกล่าวมาเนี่นะมันก็ติดตามจิตใจไปอยู่นั้นนะกันบรบกวนจิตให้เดือดร้อนอยู่นั้ น, นเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจ เวทนาแล้วก็สัญญาเนี่ยสัญญาความจำหมายก็จำสุขจำทุกข์จำดีจำชั่วอะไรหมดนี่นะเราต้องเรียนให้รู้เลยน ะ, ะเมื่อมันจำแล้ววันนี้จิตไม่รู้เท่าสัญญาเนี่ยมันก็ยินดียันได้ไปตามความจำนั้นเนี่อนเนี่ยเอ้าสังขารสภาพปรุงแต่งจิตใจให้คิดให้นึกไป ในอารมณ์ชั่วบ้างอารมณ์ดีบ้างนี่ความคิดลึกไปในเรื่องดีเรื่องชั่วต่างพวกนี้ก็เรียกว่าสังขาร น, นี่ท่านเรียกว่าสังขารธรรมบัดนี้เราควบคุมจิตได้ใชปญญ้ปัญญาสอนจิตเพยียจารณาให้รู้แจ้งสังขารสภาพปรุงแจ่งจิตใช้คิดดีคิดชั่วต่างพวกนี้ ล้วนตั้งแต่เป็นของไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยแล้วล้วนแต่เป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกถ้าว่าจิตใจหลงไหลไปตามความคิดความนึกของตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็ทำให้จิตข้องอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้เลยฮะขอให้เข้าใจนี่ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะ สอนจิตเข้าไปใยงนี้จิตมันค่อยรู้ค่อยเข้าใจเรื่องสังขารสภาพที่พรุงแต่งจิตใจไปก็มองเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยความคิดความลึกทังหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยบัญญาอย่างนี้จิตใจมันก็วางเฉยมันก็เป็นกลางอยู่ได้แบบนี้ความรู้สึกนั่นนะมันก็ไม่ยินดียินไลไปตามความคิดความลึกทั้งสงที่มันเกิดขึ้น แล้วก็มาประคองความรู้สึกอันนี้อยู่ในปัจจุบันเมื่อเห็นแจ้งแล้วนะแล้วความพรุงแตงแนั้นมันก็ระ ง, งับลงไม่ปรุงอีกต่อไปนี่แปล ว, ว่าเรากําหนดละมันอกําหนดความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี่นะเอเมื่อห้ามจิตนี้ได้แล้วทุกเหตุทุ้อย่า ง, งมันสงบราบลงไปเลยไม่มีปัญหาอะไรถ้าห้ามจิตอันนี้ไม่ได้แล้วก็ แน่นอนมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยเหมือนอย่างผู้ที่พูดมาที่แจ้งให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละที่เป็นทั้งนั่นก็เพราะเหตุว่าจิตหลงความคิดความนึกตัวเองหลงสัญญาความจำหมายหลงสังขารสภาพปรุงแต่งกายใจให้มีอาการต่างๆ นนีนะดังนั้นก็ให้พึ่งเข้าใจไว้อย่าไปหลงเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านั้นมันเป็นสังขารถ้ารวมลงแล้วนะสังขารในแปลว่าสภาพปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นอย่างนี้เมื่อเมื่อสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้น ให้รู้เท่าอย่าไปวันไว้กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเราหลงเราวันไหว้เราก็จะสำคัญว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนบัง ค, บงนะบงคับให้ทำอย่างนั้นบังคับให้ทาอย่างนี้นั่นเรียกว่าหลงแล้วนะั่นน่ะหลงสังขารหลงสภาพที่ปรุงแตง่งไม่หลงนะหมายความว่าเรามีสติสมบัตญยาห้ามจิต ห้ามความรู้สึกนี่ไม่ให้วันไหนไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นบอกปฏิเสธเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละเราไม่เราไม่หลงเราไม่สำคัญว่าเป็นความจริงมันไม่เป็นเรื่องจริงอันนี้นะ่ะมันมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับอยู่ตามเรื่องของมันแต่ถ้าจิตท้าไปยึดถือแล้วมันย่อมลุกลามไปใหญ่โตกด ทำให้เกิดความรำคาญขึ้นในจิตใจเราแบบนี้นะอืมวุ่นวายขึ้นมานี่ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะมันเกิดจากจิตนี้ทางนั้นแหละเมื่อเราฝึกห้ามจิตนี้ให้หยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันได้ไม่วันไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดับไปอารมณ์ต่างๆก็ดับไปหมดที่จิตปรงแต่งขึ้นที่ร่วงแล้วมา เมื่อทำจิตให้นิง่งห้ามจิตได้แล้วมันก็ดับไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตเป็นใหญ่สาเร็จแล้วด้วยจิตนี้เมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือจิตมันหยุดนิ่งอยู่ซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาครอบงมจิตได้เลยแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไป นี่นะฟังให้ดีนะพิจารณาให้ดีอืถ้าเห็นตามนี้แล้วก็มาเพ่งสํารวมความรู้สึกอนี่อยู่เสมอเสมอเลยไอ้สิ่งใดมันเกิดความเกิดมีอาการต่างๆขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามไม่หลงไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นให้นิ่งอยู่เท่านี้แหละแล้วมันทุกสิ่งอย่างมันดับไปนี่นะขอย้ำอีกทีให้พากันเข้าใจไว้ก็มันเป็นความจริงนี่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตไม่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีนะมันก็มีเกิดแล้วมีดับมีแปรปวนอยู่ตามเรื่องเขง้ามานะอ่ะอะโรกสานิบัตอันนี้นะ ภายในร่างกายนี่มันก็มีเกิดมีดับอยู่ตามเรื่องของมันนะลองเพ่งพิจารณาดูให้ดีผู้ภาวนานะาลมหายใจออกไปลมจมพวกนั้นหายไปแล้วาหายใจเข้าก็มีลมมาเมื่อหายใจออกไปลมเราก็หายไปหายใจเข้าก็มีลมมา ลมหายใจนี่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละเราพิจารณาดูนั่นแหละแล้ววันนี้บรรดาธาตุสี่ินน้ำไฟลมอันรวมเรียกว่าร่างกายนี่มันก็แปรปวนอยู่อย่างนั้นแปรปวนไปตามหน้าที่ของมันเช่นร้อนมาอย่างนี้อ้าวมันก็ร้อน ความรู้สึกในจิตใจนั้ น, นว่าร่างกายนี้มันร้อนอย่างนี้นะถ้ามันหนาวมาอย่างนี้ไอ้จิตมันก็ได้สัมผัสกับความเย็นความหนาวของร่างกายนี่มันก็รู้ว่าหนาวอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าเราภาวนาลงไปให้ถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรร้อนไม่มีอะไรหนาว มันมีแต่สังขารทั้งพวงเกิดขึ้นแล้วดับไปยังจิตตรงไปมันถึงนั่นแล้วมันก็ไม่วันไหวไปกับความร้อนความหนาวให้เข้าใจถ้าจะว่ามัดติดอยู่ว่าโอ้เราร้อนเราหนาวเราเจ็บเราปวดอยู่อย่างนี้แล้วก็ติดอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้อาจิตนะองวางไม่ลงเลย มันเป็นยังไงให้เข้าใจดังนั้นเราต้องยังจิตรวมจิตเข้าไปให้มันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่าไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีเราเป็นอะไรไม่มีเขาเป็นอะไรทุกสิ่งทุก อ, อย่างมันเกิดแล้วมันก็แปรพรันดับไปตามเรื่องของมัน เท่งพี่นะลงไว้ให้มันถึงให้มันถึงอย่างนั้นให้มันถึงความจริงของสังขารนั่งพวงอย่างนั้นอแล้วมันเท่งมันพิพจารณาอยู่อย่างนี้นะมันก็เกิดความรู้ยิ่งขึ้นในสังขารทั้งหลายนะจิตนี้นะเมื่อมันรู้ยิ่งขึ้นเท่าไหร่มันก็ปรงก็วางได้เท่านั้นความยินดียินร้ายทั้งหลายมันก็เบาลงเบาลงอผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจึงรู้ได้ จิตผู้ใดเป็นไปอย่างว่านี่มันก็รู้เองแหละมันก็รู้เองอ๋อมันเป็นความจริงหนออย่างนี้มันรู้เองขึ้นมาได้อืเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็มองเห็นร่างกายสังขารอันนี้มันแฝงผุผันวันไหวมันเกิดมันดับไปอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของมันตามการเวลาของมันอาเช่นอย่าง เลือดร้อนมาถึงความร้อนมีแล้วความหนาวหายไปนี่อย่างนี้แหละอ่าเมื่อเราดูหนาวมาถึงแล้วไอ้ความร้อนก็หายไปอืมมันก็พัดเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ตามฤดูกันเมื่อร้อนภายนอกแล้วมันก็มาสัมผัสกับร่างกายภายในทําให้ร่างกายภายในร้อนเช่นเดียวกันกับภายนอกเราก็ภาวนาให้กําหนดที่นารู้แจ้ง ให้สิ่งที่มันแวดล้อมจิตอยู่นี่นะพิจารณาให้รู้รอบไปเลยรู้ว่ามันไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนี่นะให้รู้จริงอย่างนี้เอา้าถ้ามันไม่มีอย่างนั้นทำไหมมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเอา้ามันมันก็เป็นไปตามความไม่เที่ยงนั่นแหละอ่าแย่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันแปรปรวนมันไม่เที่ยง มันไม่มีอะไรเที่ยงย่างยืนโลกสันนิบาตอันนี้นะนี่นะให้ให้ใหสอนจิตตัวเองให้เข้าใจอย่างนี้ก็เรื่องอย่างนี้นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนอะไรนะมันมีอยู่ในกายในจิตในทั้งนั้นเลยข้อสําคัญอยู่ที่ว่าเราฝึกจิตใจได้ไหมเท่านั้นแหละ ถ้าฝึกจิตใจให้สงบตั้งมั่นลงได้เช่นนี้แหละมันก็รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกายนี่นะี่ะแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่นอกกายมันก็รู้ตามเป็นจริงไปหมดเลยคอยพากันเข้าใจเราฝึกอย่างนี้แหละเรื่อยไปแต่ความรู้อันนี้นะ่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะไม่หลงนะ เมื่อยังไม่เร็จจิตจริงๆยังไม่ได้บรรลุอรหัตตาผลจริงๆแล้วมันก็มีหลงอยู่นั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราเพียรพยายามบำรุงความรู้ความเห็นนะี้ให้มันยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็มีหลงน้อยลงมีความรู้เท่านั้นมากขึ้นอย่างนี้นะให้เข้าใจจะไปให้มัน รู้อย่างนี้เ้าไม่ให้มันมีหลงให้มันยืนตัวอยู่ตลอดไปอย่างนี้มันยังไม่ได้เพราะเพราะยังละกิเลสยังไม่หมดกิเลสนั่นแหละมาควรใจทำให้หลงทำให้หลงไปกิเลสนั่นแหละมาชวนให้เราภาวนาให้เราทำความเพียรเพ่งพินิจ เ, เพราะว่าเมื่อเมื่อจังยึดเอากิเลสไว้อยู่ตราบใด กิเลสมันก็ทำทุกข์ให้กับใจอยู่ตับนั้นเมื่อจิตวันไหวไปด้วยความไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์กับความไม่พอใจนั้น <S <S ถ้าจิตวันไหวไปด้วยความพอใจจิตนี่ก็เป็นทุกข์เพราะความพอใจนั้นพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้พวกบุคคลส่วนมากไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเมื่อมันเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์กันนี่มันไม่ได้พิจารณ์นี่ยน มันจึงไม่เบื่อนั่นแหละตอนนี้นะมันจึงไม่เบื่อไม่หน่ายความพอใจและความไม่พอใจถ้าผู้ใดามาพิจารณาด้วยปัญญาดังที่กล่าวมานี่นะก็จะเบื่อหน่ายนะไอ้ความพอใจและไม่พอใจนี่มันน่าเบื่อไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งเสริมมันให้มันเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอ่ะเป็นเรื่องที่เราจะละมันเลืออ่อยไป จนมันระงับไปได้โดยสิ้นเชิงนู่นน่ะเมื่อมันระงับไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตดวงนี้มันก็เป็นกลางอยู่นั่นเสมอไปได้แล้ววันนี้นะเรื่องพอใจไม่พอใจกระทกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันมันก็เฉยได้มันก็ไม่หวั่นไหวไปตามอืมจิตมันก็วางเฉยอยู่ได้วางเฉยอยู่ได้ด้วยญาณความรู้นะความรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างว่ามันมาแล้วนั่นแหะ รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วมีดับไปอยู่นั้นไม่เกิดไม่ดับแต่พระนิพพานแห่งเดียวถ้ายังจิตนี่ยังวนเวียนอาศัยโลกนี่อยู่ตราบใดแล้วเราก็จะต้องได้สัมผัสกับความเกิดความดับความแปรปรวนไปแข่งสังขารทั้งพวงอยู่อย่างนี้แหละให้สอนชนเข้าไปอย่างนี้ เมื่อสอนจิตนี่เข้าไปอย่างนี้จิตมันก็จะเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะให้เข้าใจถ้าเราไม่มันไม่ไม่มีวัยสอนจิตนี่บ่อยๆมันจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายเลยเบื่อหน่ายต่อความหลงความพอใจไม่พอใจเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ใจทุกข์ใจโมรีมันจะไม่เบื่อนียถ้าหากว่ามไม่ใช้ปัญญาสอนจิตนี่ ไม่เพ่งพินาดูอย่างเช่นว่าเมื่อมันเจ็บปวดอะไรในกายนี่มาอย่างี้นะแล้กวก็ส่งใจไปทางอื่นเสียหรือว่ามันจะสบายอย่างนี้นะมันไม่สบายหรอกส่งไปทางอื่นนี้มันก็ยังเจ็บอยู่นั่นแหละแต่แล้วเมื่อส่งใจไปอย่างนั้นแล้วมันมันไม่ได้รู้เท่าไม่ได้รู้เท่าทุกข์นั้นแต่ถ้าหากว่า ใช่สติสมัติเสียงะประคองจิตเพ่งดูทุกอันมันเกิดขึ้นในร่างกายนี่อยู่นี่นะไม่ย่อท้อไม่วันไหวเอาดูมันมันมันเป็นยังไงทุกเนี่ยเพ่งดูอยู่นั้นเมื่อดูไปดูมามันก็มองเห็นว่าเป็นสาภาวะที่ไม่มีรูปร่างความทุกข์ก็ดีมันเป็นแต่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนดับไป เท่านั้นเองนะเพราะดังที่เราจะรู้ได้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นบางครัง้งบางคราวเจ็บไข้ได้ป่วยมาอย่างนี้นะอันพอโรคไขมันสงบลงไอ้ความเจ็บความปวดนั้นก็กำลังนับไปเนี่ยร่างกายมันก็สบายขึ้นเป็นปกติไปอืนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นสังขารอันนี้ความสุกขก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ ความสุข ม, มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้ววันนี้มันก็เสื่อมไปดับไปตามการจังเวลาของมันเป็นอยู่ยนี่นะอสังขารร่างกายนามรูปอันนี้นะเป็นอยู่อย่างนี้หนละต้องภาวนาเพ่งดูเอาทุกคนนะ่ะมันมีเกิดมีดับกันอยู่ยนี่นะแต่เมื่อ ผู้ใดไม่อดไม่ทนไม่เพียรภาวนาเพ่งดูในปัจจุบันอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นนะมันเป็นอยางไงเรื่องมานนะมันก็ไม่รู้เท่าทุกเมื่อทุกมาบังเกิดขึ้นแล้วจิตใจสะดุ้งหวาดกลัวต่อทุกนั้นส่งจิตใจไปทางอื่นเสีย ใจเลื่อนลอยไปเสียอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้รู้เท่าทุกั้นต่อไปอืถ้าทุกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ไม่หวั่นไหวอดทนเพ่งดูมันอยู่นั่นนะเพ่งไปเพ่งมามันก็มองเห็นเป็นของว่างเลยทุกทั้งหลายเหล่านะั้นไม่ใช่ตัวตนเราเขาเเอะไรอ้าวจิตนี่ก็ถต่ว่าแต่จิตนี้ก็เป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นนะมันไม่ใช่มีตัวตนอะไรอนะ่ะนั่นแหละ เมื่อเราควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนี้ได้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ของร่างกายที่มันแปรปรวนไปอยู่นั่นนะอ้ะอาวร่างกายมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ไอดวงจิตตรงนี้มันก็เป็นสภาพรู้ถึงว่าจิตนี่นะไม่ใช่ตัวตนก็จริงอยู่หรอกแต่ถ้าว่าจิตตรงนี้ถ้ามันไม่ฝฟื่องข่มันรู้มันฉลาด แล้วอย่างนี้นะปล่อยให้มันยึดถือสังขาร น, นามรูปเหล่านี้ไว้แล้วจิตนี่มันก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะอืมนั่นแหละถึงจะจิตนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาแต่เมื่อมันหลงแล้วมันก็เป็นทุกข์เนี่ยเข้าใจนะ่ยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราสร้างบุญบารมีอ่าประกอบคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในดวงจิตนี้ก็เพื่อที่จะให้จิตตรงนี้มันมีกําลังเข้มแข็ง กล้าหารตั้งมั่นสามารถรู้เท่าทุกโดย ก, การทั้งปวงได้มีจิตเข้มแข็งกล้าหารสามารถละเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาให้เบาบางออกไปจากขิตใจได้เมื่อตัณหาความอยาก ใ, ในใจดับลงไปความทุกข์ทางใจมันก็ดับ ก็รู้เองเห็นเองขึ้นมาแหละผู้ใดทําผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นรู้โอ้นี่เมื่อจิตนี่มันไม่อยากอะไรแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีทุกข์จิตนี่เนะี่ยมันรู้เองอย่างนี้แหละร่างกายนั่นมันแปรปวนอยู่มันเป็นทุกข์อยู่ตามเรื่องของมันจิตมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราร่างกายทุกส่วนอย่างนี้นะถ้าจิตนี่ไม่รู้เท่าทุกข์นี่ ไม่รู้เท่าอาการของทุกข์คือความแปรโพลป ว, วันไห ว, วกบลกวายต่างๆนานาแบบนี้ถ้าไม่รู้เท่าแล้วก็จิตก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้นะอกบนก歪น่ะโอ้ยเราเป็นทุกข์เราร้อนเราเจ็บเราปวดอะไรมันก็บนเพ้อในใจไปอย่างงั้นถ้าไม่บ่นออกปากก็ดีเนี่ยให้พากันสังเกต ด, ดูให้ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลจะพ้นจากทุกข์นี้ได้ ต้องมีใจกล้ า, าหาญต้องสั่งสมบุญกุศลคุณธรรมต่างๆให้บังเกิดขึ้นในจิตอย่างที่ว่ามานั่นแหละจิตส ง, งบจิตตั้งมั่นจิตรู้จิตฉลาดอยู่ในตัวอะไรวะ น, นี่นะม <S <S เมื่อจิตรู้จิตฉลาดจิตตั้งมั่นเข้มแข็งนั้นก็รู้เท่าสังขารต่างๆที่ตนอาศัยอยู่นี่นะรู้เท่าตามเป็นจริง บางคนอาจจะเข้าใจไปว่าเมื่อภาวนาเป็นเมื่อรู้เท่าสังขารแล้วอย่างนี้มันจะไม่รู้สึกทุกข์เลยอย่างนี้ น, นั่นเรียก ว, ว่าเข้าใจผิดไปก็เคยอธิบายให้ฟังอยู่แล้วว่าจิตนี้เมื่อมันจะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์นะต่อเมื่อผู้นั้นได้เข้าฌานสมาบัติแปดได้เท่านั้นแหละ เมื่อพราอเข้าฌานไปได้ถึงสัญญาเวยิตานิโรธแปลว่าความดับเวทนาดับสัญญาเสียได้โดยประการทาั้งปวงนี่เมื่อสัญญาเวทนานี้ดับจากความรู้สึกอันนี้ไปได้นะัน้นแหละถึงไม่รู้ไม่รู้จักทุกข์มาเนี่ยจึงไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ท่านจึงอยู่ ในนิโรธสมาบัตินั้นได้ตามต้องการจะอยู่เจ็ดวันสิบห้าวันได้ทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่สามารถจะบำเพ็ญฌานสมาบัติให้บังเกิดขึ้นได้เช่นนี้แล้วมันต้องได้สัมผัสกับความทุกข์ความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายอยู่อย่างนั้นแหละให้เข้าใจเสีย ถึงเราจะรู้เท่ายัางไงมันก็ยังรู้อยู่นั่นแหละมันยังรู้ความทุกข์อันนั้นอยู่นั่นแหละก็เมื่อเราไม่สามารถจะเข้าฌานธรรมาบัดได้นี่ก็อาศัยปัญญาสิบอันนี้นะอาศัยปัญญาสอนจิตให้รู้แจ้งอย่างที่ว่านั้นแหละรู้แจ้งว่าไอ้ความทุกข์เหล่านี้เป็นเรื่องของขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรนี่นะ ขันหน้ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันอยู่นิ่งๆจะไปได้ยังไงอ่ะนี่แล้วก็ปัญญายสอนใจเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อเมื่อจิตรู้ตามปัญญาแล้วอย่างนี้มันก็เห็นชอบโอ้จริงเมื่อขันหน้านี้มันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนไปตามเรื่องของมันอย่างนี้แหละเมื่อมันเป็นอนัตตาแล้วเราจะไปบังคับมันให้มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ให้มันเจ็บมันป่วยไม่ให้มัน ธุรนทุรายไม่ได้บางคาไม่ได้อ mos. นั่นแหละก็ปัญญานั้นสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะนั่งภาวนา น, นานๆลองดูอ่ะมันจะเกิดกระวนกระวายขึ้นในร่างกายนี่นะออนั่นแหละแล้วเร า, าก็เตือนตนว่าอันเมื่อเวลาชวนจะตายเนี่ยมันมันก็เจ็บก็ปวดอย่างนี้แหละมันยิ่งยิ่งยิ่งเป็นทุกข์หลายกว่านี้ เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจในไว้ก่อนตายให้รู้เท่าร่างกายนี้ไวเอา้ามันเจ็บมันปวกก็อดก็ทนเพ่งเอาจนว่าจิตมันรู้เท่าอืมเมื่อจิตมันรู้เท่าแล้วมันรู้ว่าไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราปวดมันเป็นเรื่องของสังขารนามรูปอันนี้มันแปรปวนไปตามเรื่องของมันแต่มันมากระทบกับความรู้สึกคือดวงจิตนี้ จิตนี่ไม่วันไหวแบบนี้นะแม่ร่างกายอันนี้ขันหน้ามันจะแปรปรวนกระทบยังไงจิตที่ฝึกดีแล้วมันก็ไม่วันไหวอ้าวไม่มีไม่มีใครไอความแปรปรวนความกระทบกระทั่งไหนก็ไม่มีตัวตนเราเขาอะไรมันสังขารมันเกิดแน่มันก็แปรปรวนไปอย่างนี้ในที่สุดมันก็แตกก็ดับสอนใจเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อใจมันรู้เห็นตามปัญญาแล้วมันก็ ตังมั่นอยู่ได้สิไม่วันไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายนี่ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายความตายนี่กับเราก็พิจารณาอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆมันเป็นได้เพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นสมมุติว่าคนว่าสัตว์นายกนางขออะไรไปําเรื่องอ่า ขันธ์ทั้งห้านี่ก็เป็นบัญญัติพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นถ้าไม่บัญญัติเราก็ไม่รู้มหมายก็ว่างั้นไม่รู้ลักษณะอาการของสังขารอันที่มันเกิดบรรแปรปวนไปนี่มันมีลักษณะอาการแตกต่างกันอย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติไว้อย่างนี้เราก็ไม่รู้เลยอ่ะอืมอย่างนี้แหละก็องค์บัญญัติไว้อย่างนีนะ้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายนั่นน่ะได้เพ่งพิจารณา ให้รู้จักลักษณะอาการของขันห้านี่ให้มันแจ่มแจ้งทุกกระบวนทุกอย่างรูปก็ให้รู้แจ้งในรูปนี่ตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วเวทนาก็ให้รู้แจ้งเวทนาทุกประเภทเวทนาสามเวทนา 5. ห้ามูนี้นะให้พากันใส่ใจนะอย่าไปเฉยเมยนะไอจิตนี่มันอาศัยขันห้าอยู่นะไม่ใช่อาศัยอย่างอื่นนี่ อาศัยขันห้าอยู่แล้วไม่รู้แจ้งในขันห้าแล้วมันจะไปพ้นมันมันจะพ้นจากขันห้าได้ยังไงอ่ะเวทนาห้าสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนาออุเบกขาเวทนานี่สุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนา อุเบกขาเวทนาเวทนาห้าอันนี้นะคือหมายความว่าเมื่อจิตยินดียิ่งต่ออารมณ์นั้นๆต่อเรื่องนั้นๆอย่างนี้นะมันก็เกิดเวทนาชนิดหนึ่งขึ้นมาท่านเรียกว่าโสมนัสสเวทนาแปลว่าจิตสวยอารมณ์อันเกิดจากความยินดียิ่งยินดีมากยินดีมากก็เป็นทุกข์หมายความว่าอย่างนั้นโทมันัสสาวทนา เมื่อจิตใจมันเกิดโทมนัสทับแค้นกับเรื่องอะไรต่ออะไรขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เรียกว่าโทมนัสตะเวทนาจิตสเสวยอารมณ์อันไม่พอใจอย่างยิ่งเรียกว่าไม่พอใจมากเลยทีเดียวมันเป็นอย่างั้นถ้าหากว่าจิตยินดีในอารมณ์พอประมาณอันนี้ท่านก็เรียกว่าสุขะเวทนาเป็นอย่างนั้นถ้าจิตยินร้ายใน อารมณ์ที่ไม่พอใจต่างๆท่านก็บัญญายว่าทุกขเวทนานี่นะถ้าว่าจิตไปยินดีในอารมณ์เช่นอย่างว่าค้าขายมีกำไรมากๆขึ้นมานี่นะดีอกดีใจมากปึ้มใจอย่างแรงนี่นะนี่หลท่านเรียกว่าโสมนัสสเวทนาหรือถ้าเป็นทักวัวอย่างนี้มีคนเคารพรับถือมาก นำปัจจัยไธยธรรมถวายมากๆเลยอย่างนี้ปื้มใจดีใจหลายอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาบุคคลได้รับทุกขทางกายโรคภัยเข่าเจ็บเบียดเบียนอย่างหนึ่งแล้วบุคคลบางคนได้รับการยกโทษติเตียน คมคลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้น ะ, ะเดี๋ยวจิตใจนั้นมันวุ่นวายเดือดร้อนน ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นเกิดโทรมนัดครับแทนใจขึ้นมาโอ้เขาด่าเราเขาว่าให้เราเขาข่มเหงเราเราผิดหวังอย่างนั้นอย่างนี้เราทำอันนั้นมาผิดหวังอย่างนี้มันไม่ตกไปจามอะไรยิ่ง อุ้มใจไปมากเสมอท่านนั้นนี่ย ล, ลักษณะของโทมานต์ตะเวทนาให้เพึ่งเข้าใจพึ่งพิจารณาอย่างนี้แหละแล้ววันนี้เมื่ออารมณ์เหล่านั้นไม่มีในจิตมันระ ง, งับไปเสียหมดแล้วอย่างนี้จิตก็มีความรู้สึกสวยอารมณ์อันเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วอความรู้สึกอันนี้ก็เลยเป็นกลางกลางอยู่ อันนี้ท่านเรียกว่าอุเบกขาเวทนาจิตสวยอารมณ์อันเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วแต่จิตสวยอารมณ์เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วนี่ถ้าไม่รู้เท่าอย่างนี้นะสักหน่อยมันก็หมุนไปหาอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายอีกต่อไปนั่นแหละมันจะเป็นกลางอยู่นี่เรื่อยไปไม่ได้เลยถ้าไม่รู้เท่านะถ้าไม่ได้ฝึกจิตนี่ให้สงบให้ตั้งมั่นให้เข้มแข็ง อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะลําพังจิตนี้เมื่อมันไม่มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาแล้วมันก็เฉยอยู่ได้อย่างนี้นะที่นี่เมื่อมันไม่ได้ฝึกให้มันตั้งมั่นไม่เข้มแข็งอย่างที่ว่านั้นเวลามีเรื่องอะไรกระทบเข้ามามันก็เอาได้ไหวไปตามแล้วออยินดียินไล่ไปตามแล้วเสียใจไปตามแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกจิตนี่ให้มัน ตั้งมั่นให้มันสงบให้เข้มแข็งกล้าหาญต่อการกระทำความดีต่างๆเงี้ยขึ้นชื่อว่าการกระทาความดียันใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำเนะ่ยพอใจทำเต็มที่เลยไม่เบื่อไม่น่ายนี่เรียกว่าใจกล้าหาญทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำที่ว่าโอ๊ยเกียดค้าน ไม่อยากทํำแล้วเกินกิจวัตรอันนี้น่ะไม่มีคนมีใจเข้มแข็งแล้วนะเพราะว่างานการในพุทธศาสนานี่นะไม่ใช่เหลือบากกาแรงอะไรอ่ะมันก็มายุ่งยากเรื่องภาวนานี่แหละอันกิจวัตรไทยนอกแล้วไม่เห็นว่ามีเรื่องลําบากอะไรที่พ อ, พอจะทําให้ร่างกายนี่อ่อนเพียเพ้ยเพรียแรงทํางานมากอย่างนี้นะไม่มี ถ้าหว่าปฏิบัติตามระเบียบของนักบวชที่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้บุคคลไปยุ่งกับการงานภายนอกมากเกินประมาณเนี่ยอย่างนี้และทำพอประมาณกิทธะภายนอกเรียกว่าทำตามสมณะส า, าูปก็เช่นอย่างในวิันพระพุทธเจ้าทรง ันอนุญาตได้ว่าเมื่อพุท ธ, ธิวิหารโบสถ์สาราอะไรชำระชุดชมลงไปกับช่วยกันปฏิสังขรซ่อมแซมอันนี้พระพุทธองค์ทรง อ, อนุมัติจริงอันนี้นะนี่แหละเมื่อทายกทายิกาเขามีสถานสร้างถวายแล้วเขาก็ไม่ได้มารักษาดูแลพระภิกษุสามนเณนร พวกชีพวกขาวที่อยู่อาศัยอย่างนี้เราก็ช่วยกันปฏิบัติดูแล ร, รักษาความสะอาดด้วยแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้มันมันเสียหายในมันวัสดุบางสิ่งบางอย่างเส้นกระจกหมือนนี่นะนี่ถ้าไม้ระวังแล้วเอาไม้ไปกระทกเขาหน่อยหนึ่งนั้นมันก็แตกไปเลยยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ย เนี่ยเราเราต้องเรียนรู้เลยเนะี่ยการปฏิบัติงานต่ า, า, างๆมันจะเสียหายยังไงยังไงเราเรียนรู้ไว้แล้วเราก็ระมัดระวังอย่างถูเพื่นสาลางนี้นะเนี่ยถ้าว่าไปถูเอาตีนเสาอะไรน่นนะบ่อยๆเขาก็สีดำอ ะ, ะไรมันก็เลาะเข้ไปอ่ะก็ด่างดาวเข้าไปอย่างงี้นะมันต้องเรียนสิทํางานอะไรต้องฝึกไปพร้อมทีนายพ ร, ร้อมก็ทําลงไปอย่างนี้โอ้มันเสียหายด้นี่ รู้แล้วก็สํารวมต่อไปอ่ะแล้วก็พยายามหลีกเว้นที่ไม่ให้มันไปกระทบกับตีนเสาหนั้นอย่างงี้นะนี่เลยว่าเราฝึกฝึกความรู้รอบตัวหมายความว่าอย่างนั้นถ้าคนไม่มีสติทําไปแบบไม่มีสติอย่างนี้นะมันก็เสียหายอะไวบางนี้างมันลอกมันดากระด่างกระเด า, ดาอยู่นั้นก็ไม่รู้นึกไม่ได้เลยเนี่เนึกอก็เป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างงี้นะ นี่แหละไอ้ความไม่รู้ความขาดสติสมบัติเช่นยาความมีใจไม่ตั้งมัน่นปัญญาก็ไม่เกิดเห็นอะไรก็สักว่าแต่เห็นเห็นแล้วไม่คิดคิดไม่ได้เลยถ้าคนมีปัญญาอยู่ในใจนะตาเห็นอะไรแล้วมันคิดได้อ่านออกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนั้นเป็นยังไงอย่างนี้มันรู้ได้แล้วควรจะทำยังไงเนี่นี่มันก็รู้ได้เพราะฉะนั้นให้ปากันเข้าใจ เมื่อเราฝึกใจให้ตั้งมั่นเข้มแข็งได้ยางนี้การทำกิจวัตรต่างๆนี่มันก็รอข้อไปมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างในห้องน้ำห้องส่วมอะไรอย่างนี้ผู้ใดเข้าไปทำกิจธุระส่วนตัวแล้วก็มีสติสงบัติสัญญะเข้าไประมัดระวังความเสียหายระมัดระวังความสโครก อย่างนี้ทำไม่สะอาดสะอ้านไว้ผู้ใดเข้าไปใช้บริการเข้าไปก็ทำความสะอาดไว้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นที่น่ารังเกียจของบุคคลผู้ที่มาอาศัยต่อไปมันเป็นอย่างนั้นเรือที่อยู่ที่อาศัยหมู่นั่นแหละธรรมดาจิตใจเมื่อมันสะอาดแล้วอย่างนี้มันก็ยอมชอบความสะอาดภายนอกด้วย เพราะบางรูปก็อาจจะเข้าใจว่าอืมดา้ยยากขุดตินพันไม้ในหมีไิ่ได้ห้ามทำไม่ได้แต่เลยปล่อยให้บริเวณกุฏิรกลงรังอยง่นั้นไม่มีปัญญาที่จะทำมันสะอาดได้ก็ อ, อย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราก็ปราบร ก, กนสิ ผู้น้อยกับปลารกกับผู้ใหญ่ทำยังไงไอที่อยู่ของผมนะ่ะมันรกรุงรังไปแล้วขอท่านเ่าเป็นหัวหน้าได้ช่วยสั่งให้สามเณรหรือว่าเด็กวัดไปช่วยทำความสะอาดรอบบริเวณกุฏิให้ด้วยอย่างนี้นะหากว่าเราไปปลารกอย่างนี้ ผู้เป็นหัวหน้าก็จะชักชวนสามเณรหรือสิทธิวัดอะไรไปไปดูกันไปทำความสะอาดกันต่อไปมันต้องมีอุบายอย่างนั้นเราจะไปซื่อซื้อการอยู่ในโลกนี่นะเมื่อสิ่งใดที่เราไม่สามารถจะทำด้วยตนเองได้ก็ต้องไปขอแรงผู้อื่นขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เราก็จะไปกระด้างกระเดืองอยู่อย่าไปถือตัวอยู่เอเราเอาไปขอร้องจากผู้ที่เราจับมองเห็นว่าจะพอช่วยได้อย่างนี้นะเอเมื่อท่านว่าไงตำหนิทีแต่ไหน เ, เราก็จะหวั่นไหวเอ่ะเราก็ตั้งใจให้มั่นไวอย่งว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์อัตถวดาทั้งหลาย ให้จำเอาไว้พุทธภาษิตข้อนี้นะคนเรานะ่ะมันยังไม่อดไม่ทนไม่แสดงความอดทนให้คนทั้งหลายเห็นเขา้าแล้วใครเขาจะไปรักเคารพรับถือให้เข้าใจอย่างนั้นพอมีเรื่องอะไรกระทกระทั่งานันหนึ่งก็แสดงความฉุนเฉียวงุดอิดไม่พอใจแสดงออกทางกายวาจาไปเลยอย่างนี้นะ เมื่อเป็นเช่นนี้เราใคร่อย่าไปเคารพนับถือนะเป็นผู้ใหญ่ไม่สูงผู้น้อยก็ไม่เคารพยำเกรงอืมให้เข้าใจถ้าหาว่าอดได้ทนได้ถูกกระทบกระทั่งก็ไม่วันไหวถ้ามีอุบายอะไรที่จะแก้ไขเรื่องหมูนั้นได้ก็ก็หาทางแก้ไขโดยละมุนละม่อมไม่แก้ไขโดยอํานาจของกิเลส ถ้าผู้ใดกระพืดจนได้อย่างนี้จะเป็นผู้น้อยก็ตามผู้ใหญ่ก็ทัางมันก็ยอมเป็นที่รักที่เคารพรับถือของผู้อื่นแน่นอนเลยงั้นขอให้เข้าใจคุณธรรมเหล่านี้เนะี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องกล้วยกล้วยอะไรไปอย่างนั้นเรื่องกล้วยกล้วยนี่แหละคนมันข้ามกายไปอ่า ม, มันถึงไม่สามารถที่จะทําความดีให้ส ม, ม่ำเสมอไปได้ก็เมื่อบก จิตใจของคนเรานะขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วแน่นอ น, นทําความดีให้ก้าวหน้าไปไม่ได้จริงๆนะแม้ใครจะมีความรู้สูงอย่างไงก็าตามถ้าขาดความอดความเพียร น, นี่นะขาดหนี้ที่อดตปะธรรมความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยอนะ่ะ บุคคลพวกนั้นก็สำมรวมทนให้ดีไม่ได้เลยมันย่อบทำความชั่วได้ถ้ามีกฎกติการะเบียบอะไรของวัดตั้งขึ้นมาก็มักจะล่วงไปนี่มันเป็นงย่นถ้าขาดฮิริโยตประธรรมแล้วนะล่วงกฎกติกาที่ที่ประชุมทั้งหลายได้เห็นเรียนชอบ แล้วว่าทุกคนควรปฏิบัติตามระเบียบที่ตั้งไว้นี้เรียกว่าได้รับความยินยอมพร้อมกันแล้วอย่างนี้นะก็มีคนใดคนหนึ่งไปล่วงอันนี้มันก็แสดงว่าไม่มีความละอายใจในระเบียบนึกนึกมองเห็นว่าระเบียบอันนี้มันตั้งกันขึ้นเองไม่ใช่วุยเจ้าบัญญัติบางคนอาจจะเห็นไปอย่างนั้นก็ได้นี่ ตระเียบอันใดที่คณะสงฆ์พิจารณาแล้วว่าอนุโลมเข้าได้กับสิขาบทนั้นกับธรรมะนั้นๆอย่างนี้นะมันก็ใช่ได้แต่มันไม่ผิดอ่ะเรียกว่าเราเราทำกติกาลงไว้เพื่อสนับสนุนวิในข้อนั้นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นะต้องให้เข้าใจความคุกที่ ต่อกันแลกกันในระหว่างเทพโรงกันข้ามอย่างนี้นะนี่ถ้าไปคุกคีกันบ่อยๆเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาอ่าอย่างนั้นเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็จะทำเป็นเอตในล่วงวิในสิกขาบทวินยัยน้อยใหญ่ต่อไปเราให้พากันเข้าใจถ้าหากว่าไม่สำมรวมกายสำมรวมวาจาตามพุทธบัญญัติอย่างนี้นะ มันก็เป็นช่องทางให้กิเลสมันเกิดขึ้นในจิตใจได้อืมเรื่องที่ว่ามานี่นะมันมีมันมีมาแล้วนะผู้ที่อยู่ในวัดนี่มันก็คงรู้ได้นะอ่านั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องฟื้นขึ้นมาให้แจ่มแจ้งอะไรหรอกคงรู้ได้กันนะนี่แหละความลู้ขงพุทธบัญญัตนะิน่ะเป็นอย่างงั้นแหละมันให้เกิดความเสียหายไปเลยอืม ให้เข้าใจดันั้นทุกคนเรามันต้องเข้ารบต่อพุทธบัญญัติมันจะเป็นชีเป็นขาวก็ตามเป็นเหลืองก็ตามต้องเข้ารบพุทธบัญญัติจะเป็นคนแก่ก็ตามเป็นคนหนุ่มก็ตามมันก็ต้องเข้ารบพุทธบัญญัติเราจะไปถือเอาว่าโอ้คนแก่นี่ไม่มีราคะตัณหาอะไรหรอกอือย่างนี้ ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่ถูกออไม่ถูก คือว่าระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นนะเพื่อป้องกันคนหมู่มากอย่างนี้นะให้เข้าใจถ้าคนคนหนึ่งไปล่วงไปเสร็จแล้วอย่างนี้คนอื่นที่สองที่สามก็ล่วงไปตามกันอย่างนี้นะมันเอาอย่างกันนะอ่ะอามันเป็นอย่างนั้นผู้ผู้นั้นไม่เป็นไรก็จริงแต่พูดตามหลังไปนี่เอามันเกิดเสียหายขึ้นมาจะว่าไงเนี่นั่นแหละ แต่ถ้าเขาเราเคารพกฎกติกากันนี่โดยเคร่งคัดเข้าไปแล้วอย่างนี้ไอการที่มันจะเกิดความเสียหายอย่างว่านั้นมันก็ไม่มีมานี่งไม่มีแต่ภายในจิตใจของคนเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่อย่างไรก็ต่างคนต่างก็เพียนไม่ยามระงับเอาใครเอาเราอ่ะมันเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องช่วยตัวเอง แต่ส่วนระเบียบความบําเพ็ญภายนอกเราต้องให้เหมือนกันต้องให้เหมือนกันอื่าขวินในนี่พระพุทธเจ้าเปรียบไว้อ่ะเหมือนอย่างช่างดอกไม้นําดอกไม้นาน า, นานาชนิดมาแล้วก็มาร้อยเข้าใส่ได้อันเดียวกันเส้นเดียวกันไอ้ดอกไม้นานาช น, น, น, น, น, น, นิดทั้งมีกลิ่นหอมบ้างไม่หอมบ้าง เมื่อร้อยรวมเข้าเป็นอันเดียวกันนะอย่างนี้มันก็น่าดูงานนะมันก็น่าดูให้ดอกที่มันมีกลิ่นหอมนั้นก็คอยหอมไปตามกันกระมู่อันนี้ฉั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้แล้วแล้วสั่งคนสั่งสำรวมวินัยสม่ำเสมอกันไปอย่างนี้นะจะเป็นคนตระกูลต่ำหรือตระกูลสูงหรือพอพั์กลางอะไร เข้ามาบวชอยู่ร่วมกันนี่ผู้มีทะ ก, กูลต่ํ่ำเมื่อประพฤติตามธรรมวินัยด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็เป็นผู้มีเกียรติอะไรแบบนี้นะมีคนเคารพนับถือบูชา